ท้ายข้อ3คือข้อรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริยานี้จะแสดงอย่างโลภรัตพอให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกรรมฐานกับจริยาที่เหมาะกันและระดับสมาธิที่กรรมฐานชนิดนั้นจะให้สําเร็จได้โดยทําเป็นตารางดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่16บทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้วรนนกศิลปสี่เหมาะกับ โทสัจจริตกรสินอื่นๆนอกนั้นเหมาะกับทุกจริตขีดขั้นความสำเร็จของกรสินทั้งหมดสามารถได้ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตฌานอสุภาิบเหมาะกับราคะจริตมีขีดขั้นความสำเร็จคือสามารถได้ปฏิภาคนิมิตอุปจารสมาธิและปฐมฌานพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติเหมาะกับศรัทธาจริตอุปสมานุสติและมรณสติเหมาะกับพุท ธ, ธิจริตอนุสติทั้ง8ดังกล่าวมานี้มีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้เพียงอุปจาระสมาธิกายคตาสติเหมาะกับราคะจริตมีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้ปฏิภาคนิมิต อุปจาระสมาธิและปฐมฌานอาณาปานาสติเหมาะกับโมหจริตและวิตกจริตมีขีดขั้นความสำเร็จคือสามารถได้ปฏิภาคนิมิตอุปจาระสมาธิปฐมฌานทุติยชฌานตัติยชฌานและจตุตชฌานเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเหมาะกับโทสะจริตแต่เมตตากรุณาและมุทิตามีขีดขั้นความสาเร็จ คือสามารถได้อุปจาระสมาธิปฐมฌานทุติยฌานและ ต, ตัตยฌานส่วนอุเบกขามีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้อุปจาระสมาธิและจตุตฌานอาหารเรปติกูลสัญญาและจตุทาตุววัฏฐานเหมาะกับพุทธิจริตมีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้เพียงอุปจาระสมาธิอารูปสี่ทั้งหมดเหมาะกับทุกจริต มีขีดขั้นความสําเร็จคือสามารถได้อุปจารสมาธิจตุตฌานและอรูปฌานตามภาวะอรูปธรรมตามลําดับคืออากาสานัญจาญยตนะได้อรูปฌานที่1วิญญาณัญจายตนะได้อรูปฌานที่สองอากินจัญญาญตนะได้อรูปฌานที่สาเนวสัญญานาสัญญายตนะได้อรูปฌานที่4หมายเหตุ เฉพาะกระสินท่านว่ากระสินวงเล็กเหมาะแก่วิตกจริตกระสินใหญ่ไม่จำกัดเหมาะแก่โมหะจริตอันหนึ่งท่านเตือนไว้ว่าเรื่องกรรมฐานที่เหมาะกับจริตต่างๆนั้นอย่าถึงกับถือตายตัวทีเดียวว่าจะเป็นอย่างที่ได้แสดงไว้พูดอย่างกว้างๆแล้วกรรมฐานทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ช่วยข่มอกุศล และเกื้อหนุนกุศลธรรมได้ทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐาน40ท่านแสดงไว้อีกหลายอย่างแต่เห็นว่าพอจะถือเป็นข้อปลีกย่อยได้จึงขอยุติไว้เพียงนี้